ทั้งสมาธิพิจารณาภาวนาผุทโทโอปีหนึ่งเวลาหน้าทีผ่านไปไม่นานก็ได้มาเจอกันคือวันเดียวใวมาพบพี่พบน้องในมาพบตุกพบหลานสาญาิโยมที่จิตใจของใสจิตใจนอบนอ้อม เรารักศีลเราก็กศาศรักษาศีลจะสวยงามทั้งหมดนะฮะตั้งใจขึ้นมา เ, มมาเกิดมาจิตมันเป็นมนุษย์ที่ถือต้องในอวัทคคำสอนของอมรูของอาจารย์ของสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามี ใ, ใจพวกเราทั้งหลาย ในมีครูมีอาจารย์สืบท อ, อดมาเพื่อเพืเมตตาเมตตาโปรดสาธุโลกทั้งหลายให้นี้จากกองทุกให้นี้จากความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายนี่คือพวกเรานั่งดูนั่งดูอยู่อย่างนี้เลยบางคนก็แยกออกมาดูอืมเรแยกมันก็เป็นของมันเองเลยพังรังคะลงมาให้ถาดในขันอนะไรแต่จิตใจก็เบิก บ, บานสานําราะขึ้น สบายใจคือว่าดูดูไว้ก่อนดูก่อนไฟไหม้ดูก่อนมันเปลียมันทางไปตามธรรมชาติของเขาอืมของธาตุสี่ินน้ำลงงไฟฮึมมาแต่้อมโลกของโลกนานยาวขนาดนหนสืบิัน์เมตตาพวกเร า, าเพื่อจะได้นีจจากความทุกข์คนระบากอันนี้ได้เป็นช่างบา ร, รมีสร้างฐานก่อนเพื่อนฮึ่ก็พบ พระเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มาถึงพวกเราอืมคําปฏานาไปได้พวบองค์ที่ห้าอระยาเมตไตรเราจะได้สดชื่นเนบิกบานอ่าจริงมันก็สดชื่นในปัจจุบันนี่แหละสดชื่นในธรรมสดชื่นในองค์ศีลองค์บา ร, รมีของท่านองค์บา ร, รมีของของแม่ครูบาอาจารย์ภาษาบุกอคลับมาจากครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายถือว่าโชคดีในยุคนี้ในปัจจุบันไปทางหน้านาโคตไปทางนานคือว่าเราเห็นอะไรเห็นควา ม, ม, มลำบากความทุกข์ความทรมานของของจิตของใจของพวกเรามันบังคับไปนักก็เป็นทุกข์สางก็เป็นทุกข์ มากมากมาก็เป็นทุกข์มากมากคนว่าถ้ามันกลับกันจะใมันว่างคือมันปัดเป่าไปตาม <c oughs> มันล้วมีตามโอวาทคําสอนของพุทธเจ้าปาดเป่าก็นคือว่าคือพวกเราทํานี่เลยอืมจะไปป่าไปเขาก็จะหมดหมดแล้วมันมีที่จะเดินจะไปจะมาเพราะแม่ครูอาจารย์เบิกทางให้เปิดทางให้พวกเราสบายใจตามอื <c oughs> โอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะง่า อ, องลง ป, ปูมั่นลกทุกพระองค์ที่อยู่ในอืมที่เราปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องตั้งแต่พระผู้หินไกลจากกิเลสเสือครูเสืออาจารย์เพื่อดูในตำราตำราเขามาสอนกันเอามาว่ากันก็เข้าใจก็ปฏิบัติเรียนรู้อ่านเห็นเลยก็ไปปฏิบัติอืถ้าเป็นเพืก็เข้ามันออกโลกรองออกมาก ก็เกี่ยวออกมาทาบุญทําทานขึ้นมาแซวนี่เป็น ม, มหาทานอันยิ่งใหญ่ก็ได้นาการโหดทุกคนนั่นแหละเอามารวมกันเป็นกองบุญอันเดียวกันงานสี่ขัหาอันเดียวกันต่างแต่เพศเท่านั้นแหละแยกเปิ้นแต่งไว้อย่างนั้นแต่ว่าเรามีความสุขในมนุษย์เราก็ไม่ไม่ได้นัไม่ได้สั่วนานตายไปมีความทุกขนะ์นั้นชั่วนานบางรายจนมองพูดกันไม่รู้เรื่อง อืมจะเอาแต่ความมโหสถโศแสดงขึ้นถ้ามันมันดับมาอยู่มันจะเป็นอะไรโลกกันโลกต่อไปถ้าเรามาเกิดครั้งหน้าเดี๋ยวนี้ยังมีธรรมมันประเสริฐห้ามไม่อยู่ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามญาติห้ามทุกทางทุกทางเดินไปมมองตาขึ้นไปพวกเราเป็นญาติอืมในรับบุญรับกุศลกะระแสบุญกะระแสกุศลดึงมาถึงปัจจุบันนี้ทั้งสองพันกว่าปีเลย ถึงเราก็เสีได้เกิดถึงมองเห็นเดียวเราก็เสีได้ไปเกิดอืมแต่ว่าไม่นานมันก็ลมพัดถลายไปไปนาำลมหายมองไม่เห็นดวดวงวิญญาณตัวนี้มองไม่เห็นแต่ว่ามาเห็นอยู่ในล่างแล้วมันเป็นทุกข์นะคนว่าเป็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ทั้งเพื่นผ้าดับทุกคนทุกท่านก็หากันมาดับนหากันมารอบำเพ็ญกุศลมาฝึกนั่งดูใจนั่งสามาธิ พึ่บริกรรมพุโทโธพุโทโธพึ่งทุกลมหายใจเราพึ่งพ่อพึ่งแม่พระบิดามารดาท่านผู้มีพระคุณนั้นเลิศถ้าพ่อแม่เราเออปล่อยสิ่งละวางไม่ไม่ดูให้เราได้มาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้พบกันเพราะว่าพ่อแม่เราเป็นพระอือย่างไรก็ได้มาเกิดเท้ากันมาอย่างนี้จับกันมาอย่างนี้แล้วว่าพ่อทำเพื่อให้มาให้มาเกิดเพื่อนให้ทาใจอืม มองใส่ทำใจมีสมาธิมีทำจิตทำใจดูอืมดูอืมควบคุงเต่งคว า, าอืมทะเยอทะยานของจิตที่มันดึงไปอืมกิเลสตะไรคุมไปดึงวันมันร้อนอืมเอาอะไรโะอภูโททำโ ม, มสังโฆวิวรกรรมเข้าไปอืมไปไปดึงไปดูดกันแล้มันจะแยกออกแล้วก็เห็นจิตไป คือเห็นจิตพี่น้องทั้งหลายมารวมกันวันนี้เลยเห็นจิตที่สดใส <_ m. S 2> เห็นใจที่สดชื่นเห็นใจที่เบิกบานอืนี่ได้ยินผู้นำประกาศศาสนาของจริงเออจะได้มาสอนพวกเรามาแต่ละท่านละองอมันก็เย็นเพิ่มกันไปเรื่อยๆอันนี้มัใจองค์เดียว ม, มากมายกายกองที่ สถานญาณโยมไปหากราบหาไหว้ในสถานที่ต่างๆป่าดงพงไพ่ที่เพื่นห่างไกลจากบ้านเมืองโลกภายนอกเนี่ยโลกภายนอกก็อยู่กันแต่ว่าเพื่นว่ากิเลสมันจะเลินจะเลินจนจนจะมองไม่เห็นกันเหมือนจะเลินกิเลสจะเลินในธรรมเพื่อนมาทำจะเลินมันให้มาหากันวันนี้ก็ได้มา เขาเดินอากาศได้ไม่เหมือนแต่โบราณไม่เหมือนแต่พ่อแม่หลวงปู่ใหญ่เรานั้นเดินเดินเน ต, ต้นเต้นจุดใจเต้น ต, ต้จุดเนื้อถ้าานผู้ใดได้อืในรักญาณบา ร, รมีรัชมีของท่านดึงดูดเดินผ่านไปห่างกิโลสองกิโลก็เย็นไปพว่าพระดาลงมารักษาอบําเพฤษกุศลมามาดูแลรักษาพ่อแม่หลวงปูม่มารุณทิด อป่าลวงมงภูภัยลึกๆเพื่อสอบเข้ามาเพิ่มนวนมาเงียบคือพวกเราวันนี้เลยอย่างนี้คือเงียบนั่งสมาธิอืมครับพระเจ้าอืมฟังเทศฟังธรรมลงไปนี่อย่าให้หลงอย่าให้ไปลืมสาดลืมพบอืมฟังเทศมาฟังหลวงปู่มันไม่มีเสียงอะไรเงียบอืมเป็นขั้ น, น, นไปอันนี้เราจะ่าหลวงปู่จะมาเห็นอยู่ในอืมบริษัทธ์ทีอุทิศจำกัดมหาศาลแล้วนี่อืม มเห็นเทุปฏิ บ, บาดามาเห็นทางกานทั้งหลายเงียสบสงบก็จะได้เดินทางตามสายบุญตามสะพานบุญตามถนนบุญไม่ให้มันหลีกไม่ให้มันตกถนนมันตกถน น, น, ถ น, น, นลหลงไหลไปตามความพืชเรานั่นอารมณ์นะมัน ปุ่มเต่งปุารอืมไปหาจั ก, กรรมเพราะว่ามันมันมีกรรมเรียกอยู่ในตัวเราเลยมันก็ดึงดูดไปหาตัวใหญ่มันที่เขาเฝิดกันไว้ตัวใหญ่เองเลยนั่นก็คือคนนี่เลยมันฝึกไม่มีคนไม่มีอะไรต่อกันแล้วกันมีจะทําจะให้อืมแต่ก้าวสลายแต่เก้าสลายแเราก็ล้วก็กลัวคือคือเปิดก้าวอยู่เอย่างนี้เลยอืออันนี้ตัวโลกเป็นภัยยังเดปวัวกัน ถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้ป่วยมันไม่ตายมันก็ทรมานเป็นยังไงไฟนี่แหละหแเป่งขึ้นมาอืมาทำโมโหขึ้นมากลมมาลลายใส่กันะอืมมคนประกาศคนแทงกันดุแต่ว่าธรรมก็ะเจ้าห้ามไว้ผู้มีบุญคือพวกเราทั้งหลายนี่ก็กลัวอย่างนั้นพระเจ้ายังได้พูดโธทำโมสงโคไว้ก่อนทั้งท้าเจ้าจะมีความสุขมีความสุขอืมตาม พ่อแม่มีรามาดามาก็มีความสุขสุดยอดแลว้วเพินสอนเพิพ่นอบรมให้เราได้กินได้นอนได้ใส่ได้จ่ายห้องแจงตาใสัยเป็นคนดีบอกง่ายสอนง่ายอันนี้มาพบมาพบธรรมพระเจ้านพบธรรมอันประเสริฐของศาสนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รับมาจากพระพุพทธเจ้าต้องมาสอนโหเย็นแบบได้ใส่บาตได้ทําบุญให้ทาน ก็จะสอนให้รักษาศี ล, ล, ลรักษาศีลกายวาจะใจน้อมนอมแ้วก็สร้างสาักจากอย่าไปอืมมันสิเพิ่นห้ามมันเลยอืมประกาศขึ้นไปอืมเล่นอืมเล่นจากการไปอืมพบมัน ม, มันติดใ่ไมันติดแล้วติดมันเหนียวหนึบแน่นเป็นทุกข์อืมถึงเวลาอืมไปหากันบ้างที่เปลี่ยน เปลี่ยนระบบระบับไปเปลี่ยนไปแต่กมทับทิ้งบบกันนะครับตีข่ากันให้ใใตายตายเลยเลงนรกตามรักษาขันรักษาขนันมันได้มายากทุกดูผู้มีพระคุณผู้คนพามาเกิดบางบางรายบางพ่อบางแม่ลองไปนิพพานแล้วน้องูทะเจ้าเลยผี่ชายน้องสาวเราไปแล้วเพงแต่พวกเราตัวข้างอตัวนี้ ตัวค้างอยู่ก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าได้มาได้มาพบของจริงคือพ่อแม่ประเทศจุตดตลอดโรคภัยแค่เดียวคือมีตรกรรมทั้งนั้นทงคนทีอยู่กับพระฟังบรนทานสมาศคือที่คือของโยมอะไรโทรศัพท์ฟังเทศหลวงตาโรคภัยหายโรคอันตรายหนักเลยร้อยไม่มีห้ารอยไม่มีสามคนนั้นมันตายหดท้มันตาย ออยังยังจะพูดฟังเทศฟังธรรมทํางานทําดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นงานมันเพ่งออกเพราะว่ามันกาจัดกิเลสที่มันทําให้เราตายเร็วมันกําจัดหลายโลกหลายภัย ท, ที่ที่กรรมมันหนักหนักกรรมลราจะเก่านั่นแหละมันมาเป็นเลยธรรมะตัดเท่าก็ฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเพ่งออกมันมันเพ่งออกอืมไปนอนก็ หลับเฉยไปตื่นขึ้นมาก็มีความสุขถ้าเป็นทุก ม, มือลื่นมืองางนอนอะไรมาบางังคับให้นอนกันระหว่าง น, นั่นแหละความทำไมเหมือนธาตุแก่ธาตุแก่ก็เป็นอีกเป็นเป็นวัยเป็นวัย ไ, ไปไวัยบางอย่างมันก็นไม่นอนคือพอแม่ต้องปู่เทียนว่าสามเดือนไม่นอนไม่นอนไม่หลับมันจิตเป็น คุณมองคุณดูความเพื่อนไหวนีแจะความสุขของแม่ครูอาจารย์ทาดขันเฉยๆเอาบังคับแล้ว่าชื่อจิตมันเป็นเจ้าของจิตมันเป็นเจ้าของจังว่าพวกเราทำทานทำบุญให้ทา น, นที่เศ้าผ่านมานอมันจะเป็นที่แยก แยกิเลสบังคับกิเลสบังคับมกรรมเวนออกจาก <c oughs> ล่างจากจิตจากใจของพระวิราติมารดาของพวกเราพวกเราก็เป็นเบอร์หนึ่งเป็นจิตที่เป็นผ่องใสเป็นใจที่เบิกบานกัลยทั้งทั้งหลายที่ต <c oughs> ั้งใจม า, มาลงปู่วันนี้ก็ต้องการความสงบร่มเย็นต้องการจิตที่ผ่องใสต้องการที่ความจเจริญรุ่งเรืองในดวงจิตถ้ามัน สบายเลยคิดอ ะ, อะไรอะไรไหลมาก็มันเน่นหนาะห้าวอนมันคงอยู่กับพวกเราหมดมันเป็นกลางๆลาไม่ได้ยึดได้ถือมํนเบงมันปั่นกันกินกันอยากไว้เลยโน้นได้ จ, จิตใจขึ้นไปความทุกข์ไม่มีมาใกล้เพราะว่ากำจัดมันออกไปได้แล้วคือให้ทานกรรักษาศีลทางสมาธิเพื่พเระหนัง หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายเข้าใจออกพูดมันเอาโหโหโบบาสอื่มันไม่ออกมานําเราบัดมันอยู่ในตัวเรามันก็ลอดไปทางใหม่มันไม่ออกทางอปากถ้ามันออกมาทางปากแล้วมันเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายจึงบอกให้ว่านั่งสมาธิดัก ให้มันออกทางใหม่ให้มันออกปองอืมประตูโค้งทิพอ well. ์เพราแม่คร really ูอาจารย์สอนไว้ประตูโค้งทิพก็คือตะวงนั่นเองหันใจเข้าอืมผู้ท้าใจออกโทมันเข้าไปหน่ะมันบังคับมันออกมันออกทางปลายเท่าปลายอะไรทวารตัวไหนก็เรียกเตะมันออกไปขึ้นมาเรามีความสุขกันเอ้าเรามีความสุขมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราให้ทานเกิดจากเราฟังธรรมรักษาศีลพระพุเจ้า อืณเพื่อนให้นอกๆให้กลาบให้ไหวคือพักทานทั้งหลายวันนี้งามตางามใจเย็นเย็นเลือกซึ่งไปอืให้บุญตามกันผู้ชายผู้หญิงที่ว่าพ่อแม่หลวงปู่เซรีที่คุนมาจากท่านเชลาดาทำงานสุดคุณท่านสงสารคุณแม่เรื่องไม่ออกเลยขนาดทรมานมากที่สุดลำบาก อืามครับเมื่อเกิดตีก็ขอให้ได้เป็นผู้ชายผู้หญิงนี่ลาบากแท้ๆเพราะว่าอะไรมันเกินเกินกว่าผู้ชายคือแม่น้ําำมันไหลออกทุกแบบทุกอย่างาทั้งตาทั้งอะไรนี่แต่ความทรมารลําบากอมันเราจะได้มา่เกิดกันอืมเพราะวันนี้คุณหมอสวยเพรารู้สึกเอ้ามาให้เมื่อเกิดที่ลำบากมันถล่มถลายไไม่รู้มั น, ม, ม, นมันตายไปแล้วอืมถ้าโชกไม่ดีก็ไม่คืนเลย ใส่บราณพูยาตาใหญ่แสนถ่วงแสนเทวาจองกนันก็ไม่นานร0อยปีมานี่อีกร้อยปีไปข้างหน้ามาหนี่งรอปีมันตัวกับหนึ่งเรืออะไรแล้วมันมันขึนมันคิดถึงนึงคื อ, คอปาช่างรงเสือเสื้อหนึ่งไม่ถึงรอยปีหมดหายไป ท่านไปที่ไหนมดจากป่าทั้งหลายท่ว่าอืมเพราะว่ากลัวคนนี่เลยตายไปแล้วมาเกิดเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นอะไรคนนี้เพราแม่ดวงตาที่เมีตาลูกหลานที่ดวงนั้นเพื่อนดินท่นว่าอืมมันปินขึ้นมา ตายตื่นขึ้นมาเดินภาวนาก็ไม่ได้ไปสมัยพระแม่พระงจา้าถ้าพ น, นอกมาบางเถอเลามาแต่ตัวนั่นก็ได้มาได้มาตัดสู่สุดท้ายออกมาจากพื้นดินนี่เท่านี้บีบบังคับไปขราดออกมาเมื่อเกิดเป็นคนเหียดหลาบก็จะขมอยัางเมื่อเกิดอีกฟังธรรมพระพุทธเจ้ า, าแล้ว ออกเลยวันนี้ตายดินเหมือนกี่กระเดือนมันออกจากต่างแดดให้มันเพิ่นไปตากแดดก็เดิอนอยู่ทั้งวันกลางคืนก็นั่งกลางวันก็เดินมีบนทบาทนิดหน่อยพ็ได้มาต้องยายาทาขันม่าให้มันเกิดทุกข์หมอมเวนจำ ก, รรกิกเลสมันอาศัยอาศัยอาหารเทั้งว่าเพิ่งว่า รักษาศีลห้าเลยรักษาศีลแปดมาเนี่อมีการละโภสนาเวลมานี่เวลามาน้อยรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยิบเจ็ดมาเดินไปแล้วกันตามว่าคําสอนของพรุทธเจ้าคุณหน่อยดูข้อมูลก็ดูตามธรร ม, าตรธรรมชาติอืมธรรมชาติอืมจะถอนทอนกิเลสออกจากธาตุจากขันธ์ของพวกเจ้าพระพุทเจ้าไปคัดเก่ามาแล้ว นี่ท่านทั้งหลายพากันดีใจพากันสดสื่มเบิกบานต่อไปในรัก <c oughs> โอวาทคาสอนที่สงบรูมเย็นมาถึงพวกเราเพื่อนช้อนของจริงฟังน้องตาเนี่ยเื่อนจับขึ้นมาโปสถพวกเราอ่ะลูกหลานชาวไทยนี่ห่วงมากฮะเมตตามากที่สุดประเทศทั่วเมืองไทยประเทศในอือแซตติโอทีแล้วมาเพื่อนเอาธรรมมาโบสถ์เพื่นว่าเพื่นจับขึ้นมาแปดสิบปีแล้วเฮ็ดดีที่ อถาวายเพลิงศพอย่างเพลินว่าของเพลินเราเห็นไปยันมันเกินไปถ้าปล่อยตามใจคนเผาทักสมบัติมดของเราทักสมบัติเขาบอาเอาเอาไว้ให้ลูกให้หลานเขาเอาไฟเผาเอาฟืนเผาเลสลายไปมันถึงเวลาเอเพลินันว่างทานร่างขันได้เหมือนครูอาจารย์เพลินหลวงปู่มั่นสมัยนั้นมันมีมันมีหมอม่ยาเหมือนทุกวันนี้่ทำก็ได้ถึง แปดสิบตามครูอาจารย์ใหญ่เพื่อปวดรูกปวดหลานหลวงองค์ก็คือหลวงปู่ฟันก็ไม่ไม่ถึงหลวงปู่ฟันท่านเพราะว่าท่านดวงตาว่าท่านไม่ได้พักผ่อนท่านไม่ตาเพราลูกหลานชาวกรุงเทพท่าหลางไหลไปลางไหลไปไปแล้วกลับมาเป็นอะไรขึ้นมันสบายใจมันมีความสุขเลยทรัพย์สินเงินทองก็เลื่อนลอยมาใครเป็นผู้บรรลุบรรดาโนาให้ ถ้เสมัยปู่ย่าตาใหญ่ไปต้อคิดถึงพ่อถึงแม่ต้งให้พ่อแม่ได้บุญต้องให้พี่ให้น้องผู้ตายไปไแต่ก็ตามพ่อแม่ครู้อาจาย์ผู้คนอั้งผู้แจงตาใสผู้คนกายากจิตเล็ดรับให้ พ, พระพุทธเจ้าลูกหลานรับให้อตั้งหลวงตาคุณว่าอือุทิศให้พ่ออุทิศให้แม่ให้ใครก็ตามถอดตรงไปผู้ชายไปเป็นเทพพรบุตรอืผู้หญิงไปเป็นเทพพระดาลูกหลานเป็นผู้ อันใดอันกองบุญอันภัยบุญมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องดูแลกันมาถึงศาสนามาพบศาสนาเราได้เงินได้ทองมาเราก็ว่าของพ่อของแม่ให้มาตั้งเอาไปฝากกับพระให้มาส่งไปให้ให้คุณเมตตาไปให้ใหเอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็บคือเรื่อคือกรรมบางทีก็เป็นญาติเรามาให้เจ็บให้ป่วยบางคนมาถือต้องถวาย คือพ่อแม่ดวงตาคนยังอยู่เข้าไปถวายทำบุญให้ถานนะเลยมาคุณพ่อคุณแม่อยจุ่บานหายดีขึ้นมีพลังนึกพุโทโธดีใจนะคุณแม่ลวงตารับให้แล้วนี่ผู้ชายผู้หญิง ท่านไปไปที่ผมก็คือว่าจิตมันสายเคื่อนจากความผูกมัด น, นะ่ะสายสายเคลื่อนจากกรรมนะลูกหลานไปหาพระลูกสาวลูกหลานไปหาพระแล้วกันนึกถึงอทาบุญก็นนึกถึงผู้มีพระคุณยังอยู่ก็ดีตายไปก็อาศัยผู้ยังรวมตางอาศัยพวกเราทั้งหลายที่ที่เขาละเมิดศีลไปจุกทุกตาทุกอย่างนั่นแหละรวมบิญญาณทำมาเกิดเป็น เป็ยนดินมาเปยนดินมาเป็นเป็นเป็นธาตเป็นรูปเป็นร่างเป็นยุงเป็นอะไรทุกอย่างสิ่งเป็นอย่างยางอย่างนั้นว่าอืมเราก็น่ากลัวกันเท่านั้นคือเราหายใจเข้าพุทโธพุทโธที่มันสงบลุ่มเยืนหวบางทีเทพดาเพื่อจิตเขาไปปวดขันบังคับกิเลสออกจาก ธาัุขันเราเระเสื่อพระเจ้าพระเจ้าให้นึกถึงพระคุณของท่า น, นพูดโธเป็นผู้รู้ผู้สอนผู้เบิกบานทมโมก็เป็นผู้คอยทมที่ตั้งใจเต็มร้อยเต็มพันคือพวกเราทั้งหลายมานี่เลยมาปลูกกันนี้เลยแต่ว่า <c oughs> เข้าใจเข้าใจในการเดินทางต่อไปจะนี้คือเมื่อหลั ง, งพระพลดองให้ หลวงตาบัวให้ตระหลาเมตตาให้ให้ลูกหลานอืมสชาวโลบทังเมือบ้านเมืองพูดไม่รู้เรื่องกันมันจะเป็นเพลินเป็นไฟขึ้นเลยพังทลายไปหมดเพราะเรามันเราอยู่กับอะไรอยู่กับน้ําก็เป็นอีกเพลินหนึ่งตัวมันอันตรายก็คือไฟนี่เลยมันช็อตเราปุ๊บตายเลยมันช็อตเรามันตึ๊กโลกภัยมาใหม่มารุ่นใหม่ไปเลย ตึ๊บเข้ามากันไปเลยไฟมันมาชอดไฟเราไปสู้ของมันมาสู้ไฟกรำเพราะว่ากรำ ม, มาถึงมันเรียกว่าดับน้าดับไฟเป็นอันตรายเจ๋เด็กเก๋พวกิีดเร า, มาเมื่อคืนเราพอประมาทพวก็ผ่านพยายามมันแต่มันไม่ทันมึงก็ออกเลยคืออย่างนี้แหละคือพวกทันทั้งหลายออกมาเลยี่ออกมาบําเพ็ญกุศล ปีหนึ่งไม่นานก็ได้มาพบกันอีกสมาต่ตอสะพานบุญขยับเลื่อนไปจนถึงบอ่อน้าจนถึงสาหน้าใหญ่จนถึงแม่น้ำใหญ่แล้วก็มีมเรือมาลับไปขึ้นมาสะพาวเจรือมาลับไปเข้าไปนั่นแหละไม่มีอะไรที่เข้าไปตามได้เพราะว่าผู้ใู่อาจานั่นจะได้ไปหมดแต่ว่ามัน ถ้าเร็วต่างกันมันสู้กิเลงไม่ได้มันไม่ได้ไปแต่ว่ามีทุกข์มีสุกมนดับทุกข์คือพอเรามาดับเดียวนี้เลยนี้าขับไปแล้วสบายเลยเพราะว่าเรามานั่งฟังมันนั่งได้ฟังกันดูกันเห็นจิตเห็นใจห้าสี่กันห้าอันเดียวกันแต่ว่ามาบวชมาบาเพ็ญกุศลคือว่าให้มันห่างไกลจากโลกภายนอกเขาห่างไกลจากที่ มันผูกพันมันดึงดูดพวกเราไว้ทางกายแล้วก็ไปดูไกลหนูอาหารร้านค้าวอะไรก็ไม่มีถ้ามันแห้งเหี่ยวลงทำไมมันเกิดผูโทรมันกิเบาขึ้นพูดโทมันอกิเข้าไปมันเข้าไปแน่นเต็มหมดไม่มีช่องว่างที่ใหขี่หลีดออกไปมดมันระวังท่านเพราะว่าคน พุทโธคือลมสูบลมพุทโธพุทโธคือเพิ่มยางลดยางน่ะไปมันก็ดูแลมันอยู่ตลอดมันก็เพิปลอดภัยกับพวกเราไปตลอดนี่เราดูแลจิตใจแล้วกับฉิ่กับทำอย่ ก, กับพุทโธทำโ ม, มสังโคนี่ฉันทาลาย <c oughs> แล้วกันมันดีดีใจนโมตจ่าที่เก่าขึ้นนโมคือความนอกนอกแล้วก็จัดเพิ่มให้จัด คาวาโตอันไหนจะเป็นของโตอันไหนจะเป็นของเราทำใจความสุขความจเจริญไปธรรมะธรรมพุทธะนำมาอย่างเรามาเอาบุญมาดูดจิตดูใจกับศาสนาะที่เรามาพวบศาสนาะเลาก็นสอนให้เรานี่จากความเกิด น, นี่จากความทุกข์นี้จากความตายนี่ทำเรื่อง <c oughs> ทุกวันนี้ออกไปชั่วยาว ไปส่วยยาวส่วยเ จ, จอตามถนนทางแล้วก็สรดุดทางเวทแต่เรายังเด็กยังน้อยคือพ่อแม่ครูว่าจาร์ที่มันตกเครื่องบินนะครับเครื่องบินหลายๆตกลงน้ำเรือใหญ่แตกในน้ำไม่มีที่ส่วยทั้งเวลาอะไรทุกอย่างนั่นแหละมพนฝนตกฟ้าร้องลงมาถือทางฟ้าน้ำฝนบางคนก็ เป็นใครเป็นหนาวตายแพ้กันแพ้มันคู่กรรมกันมาบางคนก็แพ้มแมลงแพ้เด็ดอะไรบางมีเพิ่มเติมไปเพราะว่าเวลากรรมมันมา ม, ม, ม, มาให้เราพิจารณามาให้เรากลัวถึงจังหวาเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆเราก็รีบํำเพิญกุศลร่งางจายบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิ ตาดเตาไปเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้ น, น, นสุขขึ้นอืมสุขกายสบายใจพี่น้องทั้งหลายถือว่ามอมงคลอันยิ่งใหญ่ในอืมปีนี้หลยมงคลอันยิ่งใหญ่ให้บ้านเมืองเราสงบลมเย็นออืภาวนาอับชาติชนะกับพระแม่คูบาอาจารย์ทุโปองค์ที่เพิ่นเลิ่มมามาโปรดเราก็คือพระแม่องค์หลวงตาหลวงตาพระบวัวมาเจียยมาแม่ตาไว้ ให้ลูกหลานดูลแลรักษารอมือลยเท่าแนะนำสั่งสอนกันไปใ่้จับมืออย่ า, ใ ห, ยาให้หลุดอยาให้วางขึ่นขาขาสะพัสเห็นแล้วก็เจริญสวยงามในดวงจิตดวงใจขลุ่ยขึ้นเรื่องสูงของพื้นหลวงพระพุทธเจ้าขลุายพระแม่ครูบาอาจารย์หลวง ป, ปู่มัน่นหลวงปู่สาวเราพระแม่หลวงตาบัวเรารปเรารป็นพระนิพพานสมบัติ สมบัติพ่อแม่ปยราตายายปันมูลให้สมบัตเลี้ยงทานเลี้ยงขันเขาพากันสวดเชิญบ่อยอันบันทึกสมบัติภายในบันี้ก็คือฟังเทศฟังธรรมเบื่อหน่ายในการเกิดเบื่อหน่ายในอันห้าเวลามันเก่มันเทาเะ็นคนเทาคนเก๋เป็นคนเดือบคนปวด เราก็เป็นมาแล้วหนักกว่าเขาขาดช่อนขาดกลางมันก็ผ่านมาแล้วเราจําไม่ได้เทั้งพามันลึกมันชาติมันมามาเกิดในจุดนี้มันจะลงโดดลุ้งเห็นคนเจ ก, ก็ว่าเราจะไม่เจทั้เห็นคนเจ็บก็ว่าเราจะไม่เจ็บมันมาถึงตัวเราเลยอืเขากระงสารเราเราบ่เห็นตัวเราเลยเพราะว่ามันมันออกจากเส้นทาง ถ้าเข้าเส้นทางกับพวกท่านทั้งหลายนี่มันก็เห็นตัวเราเห็นตัวทครูาอาจารย์เห็นตัวคุณบิดามารดาแล้วก็พากันเคลียร์หลับภาวนาเมตตาไปอย่างนี่หละทําไปทําไปอืพุทโธธรรมโมสังโอืมพุทโธอรหังอรหังพุทโธสัมผัดกันไปทํามโมอรหังอรหังธรรมโมสังโฆอรหังอรหังสังโฆจะเกิดขึ้นสรับ อนาคตข้างหน้าเรามีแต่ความสุขถ้านึกไปตลอดเราไปเอาจิตไปเอาพระจิตเอาจิตไปจิตกับอย่างอื่นให้จิตกับพุโทโธอาหางอาหางพุโทโธทรับยสมบัติที่จะมาโนูนใจให้เราลอยมาโนูนใจเป็นบาลังเป็นรถทิพย์เลื่อนไปสู่มุลงมสุขแะท่านทั้งหลาย กานเข้าใจากันการใจต่อไปทุกท่าพยายามมาพบกัน ม, มาพบกันในการเกิดนี่เลยเลื่อนลอยมาตามอสรมส์ตามอากาศมาแล้วเป็นลูกพาะไม่อันเดียวกันคือปฏิบัติธรรมด้วยกันรักษาศีลพระพุทธเจ้าด้วยกัน เนี่ยจิตใจใจออกจากร่างจากขันออกจากสิ่งที่มันผูกมัดคื่เป็นทุกขนะ์อืมะไรความทุกข์ออกจากกองบุญอันไพภูมิเพราะไม่ให้มาถึง้องดีงามเนะี่ยท่านมาเอาทิพไปหาเพลินทิพย์ไปหาคุณพอคุณทั่วไปเที่โยมเก่าคุณครูบาอาจารย์คุณพระทั่วไปทั้งอะไรเป็นภาคนะทิพย์ให้ไม่ว่าจะเพลินประเสริฐหรือเพลินไม่เอาของใครเพล่นไม่เอาเพลิน อุ้มมาให้เพื่อนกบเพื่นกบอุ้มสร้างได้ถือจ่องปัดเป่าออกิเลสลงแล้วที่เพื่อนเอาให้เอาให้ไปสำออกำจากกิเลสออกจากธาตาจากขันให้อืจิตใจมันเบิกบานสํารางขึ้นก็ดูเล่ขันเล่ขันกันั่งสมาธิขันก็สดชื่นเบิกบานขึ้นอืมให้โลกิหายภัยสุข ก, กายสบายใจได้ถือเป็นคนใหม่ขึ้นมาอีกนี่้าเราจังใจเสือ้อ ต้อไปคือมันญาติป่วยพ่อแม่ป่วยมาเพื่อใดเราจะไปหาพระเอามาให้เจ้าเขาสงสารเจ้ายานเจ้าตาย้จากป่ไยทั้งพี่ชายก็ดีน้องชายก็ดีถ้ามันป่วยอยู่อันนี้คือสุวันอือยี่สิบปีสามสิบปีโอ้โหมะเร็งว่าน้อยๆทั้งพวกเราทั้งหลายมันกลายงามมันแหมืมันมาเข้ารุ่นเล็กรุ่นน้อยมาเห็นเลยมาสาบเลี้ยงขอพรมันเจ็บมันปวดขึ้นมากนะฮะหมอเขาก็ ท่นสงสัยสงสัยอะไรบ้าสงสัยอะไรก็เอาเะไรบ้างโน่งใหญ่ท่านคือว่าที่จริงมันไม่ได้ถึงขั้นนั่นแต่ว่าจกใจเฉยๆมันจกตืนกระทบอารมณ์กิเลสเลยมันทึกไปถึกไปใจกลัวตายยันไม่ได้ดูแลพ่อแม่ญาติทัมง่ลได้อืมตอบบุญแทนคุณให้ถึงที่สุดเพราะกลัวตายก็เลยสุดไปฟังเทศฟงทังธรรมเข้มทั้งสงบขวดขันนั่งสมาธิภาวนา มันก็หลุดหนีไปคุณว่าเหมือนเหมือ น, นอะไรเห็บจับหรือว่าปีกจับอะไรกนว่าไปมันเหนียวดึงเขี่ยวออกแล้วมันก็เบาอืมยู่ในใจเราเขี่ยวออกพุทโธธรรมสังโฆหน้าสมาที่ภาวนาตัวนี้อืสําคัญที่สุดรับที่เราจะเดินทางต่อไปข้างหน้าสําคัญอะไรเราไม่จะเกิดอีกล่ะขีดหนาบแล้วไม่จะเกิดเราจะย้อนพบย้อนชาติเข้ามาใกล้ มันต้องเตววาบาตคือพวกเรานีนบางทีเจ็ดชาติยังจะได้หลุดพ้นไปบางทีบางทีก็สี่ชาติสามชาติสองชาติท่างมาชาติปัจจุบันแล้วก็อยากให้มันอืรีดพึงไปพันก็ฝึกหาขาดเก่าไปเพื่อนมาได้ถ้าเราพยายามพระแม่ครูบาอาจารย์รักษาสิ้นห้าสิ้นแปดแยกกันออกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูคาดขัน มันสิแตกสลายมันมันทำได้ให้มันแตกสลายไปก่อนนั่นเลยแตกจิริแตกไปหมดเลนเมี่แต่วงสุกนั่นแหละคุณบอกคนที่ฉลาดคนที่เหว่นในการเกิดทําเมาได้หมทุกคนอยู่ในนี้คุณบอกเพราะว่ า, ว า, วามันเป็นของเฮ็ดยากแต่ว่าถ้าฉลาดมันก็คือง่ายมันนั่งอยู่เฉ่งไม่ได้อะไรนั่งเบิ้งลมหายใจพุโทโธพุทโธพุทโธ ไปเลยไม่อะไรคนแบบที่คนฉลาดนพูดโทนอะไรคือว่าถ้าหยุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนั้น阿拉หัง阿拉หังก็ดีมันไม่มีตัวตนเลยถ้าเราว่ามันเกิดมันเป็นของเหาอ拉หังอ拉หังเราจะอืมขีชีอ拉หังไปอยากให้อาลหังอุ้มเราหนีจากชาติตัวนี้ัจกขันห้าอาการสามสิบสองมันครบขันจะสมควรจะไปสู่สวรรค์นิพพานถึกต้องในจังหวัดขามฉนเราไมมีกรรมถ้า ม้วนหัวตาบอดแขนฝืดมือขาดตัวเรามันไม่ตรงกับของทียบก็ต้องให้เรา่มเกิดให้มันสมบูรณ์เหมือนเพิ่นเมตตาขึ้นบวชนั่นแหละคบขันอาการสามสิบสองแหละเรื่องการข่าบวชข่าวบวชเถ้าไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ไม่คือมนุษย์เขาคนก็มาให้บวชทำไมให้บแบบให้ใช้กรรมไปก่อนเพือไมาใช้กรรมเพราะแม่ญาติพี่น้องก็ดูแลกันไปอืถ้าทําดีได้ดี ก็ไม่เป็นอย่างก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกอันนี้ธรรมะตัดะธรรมะมาห้ามธรรมะมาเมียจามาสอนเพื่อแปว่าตัดกรรมตัดเวรคือการกระทําคือการเสียสละคือการรักษาสินพระพุทธเจ้าให้สบายใจอืมเขาไม่สอนให้เหมอะให้กลับเจ้าหลุดมาจากอืมมันยังไม่ละเอียดมากก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเพื่อนก็กรรมเระจูงแตงให้เป็น อ่านวันนี้แม่ทําบุญให้แม่พากลาบพาก่ายนะจ๊ะแล้ก็สลายไปสะลายไปมื่อคืนเอาใหม่กันเอาใหมา่มก็ถึกต้องไปนั่นแหละเพื่นว่าธรรมะตัดธรรมะไม่ตัดก็คือขาดตัวตายรือว่าอะไรติดชาติติดชาติห้าร้อยชาติอยู่เพื่นว่าไปคือมาถึงเวลาเลยก็เอากันเลยมันไปเองมันหรือว่าเริ่มใหม่นี่ซึบหน้าซึบหลังนี่เสื้อที่หนึ่งที่สองเสื้อที่สามนี่ไม่เหลือแหละถ้าไม่มีไปห้าหมอา มันทำไม่ดูแลรักษาหไหวต้องต้องตายเพราะว่ามันมันประมาท ม, มันมันลึกหมดเส้นอืมเส้นบุญเส้นกุศลเส้นศีลเส้นธรรมมันพังทงลายก็คือคือมันไปผิดทางนั่นเละมันไปจินของผิดไปกินของผิดไปกิงกรรมไปพบกรมอืมไปพบกรรมคือเราเห็นอยู่ทุกวันนี่เลยข้าพ่อสีแม่ค่าสีสีพราบข้าเจ้าเอาของเพราะว่าขายเป็นใสอืมพราเมตตา ครอบเราทั้งหลายดูปัจจุบันทันตาไปข้างหน้าอนาคตรเราก็จะได้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความจากเวรทั้งหลายขอบักขันเพียรไปหวัวหน้าเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องสอนกันต่อไปอลองประทานอืก็สดชื่นเบิกบานเพราะว่าเราเราเป็นผู้นําบุญมาอะเพื่อเราก็ต้องได้อลดทิพย์เ่ย ขันหาที่นั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุอืมพักผ่ อ, อนนิดหน่อยตื่ขึ้นมามีความสุพิจารณาข้าพเจ้าอืมพอแล้วข้าพเจ้าดูไปเรื่อยๆดูอะไรดูของคล่อนไว้ของจิตข้าพเจ้าจะไม่ให้มันติดเป็นทุกข์กับใครอีกอวันนี้เพราะว่าหยดน้าบนใบบัวมันดอกบัวมันก็งามขึ้นสวยซื่อพูดพอกพี่น้องอดดมลูกศิษย์ลูกหาของศาสนานั่งอยู่ถึงเหมือนดอกบัวดูเลยแต่ว่า มันฝนตกมันทรายใบยมันไรมันม่จีดถ้ามันจิดมันก็ไม่ได้มานั่งที่นี่เลยไม่ได้มาบําเพ็ญกุศลที่นี่เออห่วงท้องห่วงใช่ห่วงมคองเพลินไปตามเขาเมื่อเห็นควาตายิมาทางหน้าเลยอเราไปก็ไปเจอันนีไปเจอโอไปเจอเขาแต่ตัวเรา เราได้บุญแล้วคนนี่เราก็อยากขยับไปอีกต่ออายุไปอีกหาพระไว้ข อ, อให้กันอย่างน้อยแปดสิบนะอย่างน้อย อ, อมากกว่านั้นทำหลวงตา บ, บัวก็คงจะได้บุญบางคนไม่เอาลําบาก อ, อมันจะอยู่ถึงสองรอยก็อยู่ได้ถ้ามันสบายใจเลยมัน อ, อ, อยู่ถึงวันไหนก็อยู่ได้มันจะแห้งจะเหี่ยวมันจีบมันก็จ้าไส่นั่คือดูร่างมันมันเจ้าจิตตัวเดียวจ้ใไส้สดชื่นเบิกบาน ขึ้บริกรรมผูโทเพียนไปก่อนเพียนกลาวหน้าหาที่บังที่ลบกันอเทพดาตัดสินให้หาที่บังที่ลมันเป็นไปเองมันขึ้นตึกสูงสูงบงังไว้เหมือนป่าเหมือนกันมาให้คนเห็นแบบสุดท้ายคนก่อืมที่มันจะเข้าสู่เส้นชัยมันต้องเทพดาพวกอะไรสูงสูงมาเป็นผู้ตัดสินมาเป็นผู้ส่งอนุโมทนาท่านโชคดีท่า น, า น, ชานเชื่อ ผูอาจารย์ท่านเฉลิลาเข้าสู่เดนมะผลุนิพพานได้แล้วนั่นแหละคุณว่าหากันเสื่อมจนเสื่มตัวเพราะว่าเราสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอธบาชีพบนโลกภัยภาวนาบจอดเข้าไมา่คนเห็นนัก่ก็ดีนอนก็ดีให้เทวดามามาเทพมามาดุลบันดาศักด์สิสนให้ มันสบายใจแลยแล้ว ก, บก็บอกคือบอกน้องบอกมูงบอกเพื่อนมันทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นมามันเกือบตา ย, ยอดทนตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมการละโภธนาก็เอามเมื่อเดียวเป็นวัดมันสมบูรณ์แล้ว้องบึงทํามันหิวขึ้นนี่นี่ก อ, อันนี้แหละภาพเกิดตัวนี้แหละัอดประมาณมันมันสงบแล้วมันว่างมันไม่เอาไปเห็นอะไรก็เซยนิ่งเพราะว่าจิตมันค้นหาตัวจิตมันคนหาใจตัวเดียวนัะน มือพอออกแล้วอะคนหาใจเสียมันจะที่ห้เดินทางต่อไปอยังไง น, นันก็ขยับไปเรื่อยๆความเปียนนัง่งสมาธิภาวานาขยับไปขยับไปอืมเป็นอยู่ในขันสี่ขันห้าแม่อน้นวยอ่อนห้ก็อืมก็มาโชกแลว้วบางรายก็เห็นโน่นเห็นนี่คือคุณว่ามีมัดอยู่ในขันห้าแล้วนี่หละพาเป็นอนหลับไปบางทีก็ฝันไปกันสี่สูงห้าไปถ้ามันคิว มันแน่มันก็ไ่ได้มามันก็รวยสมุดอันนี้มันมันเป็นตัวหลอกให้เสือของเราจริงมันจะเป็นของจริงอยู่พระเจ้าเราผมไม่ยึดมันเราก็ไม่ยินดีมันนิมิตฝันเออเอาควาจริงเอาผลทานเอาการกระทําของพวกเราเนี่ยมันเป็นของจริงคือเรานั่งมันเป็นอะไรคือมันเจ็บมันปวดมันติดมันพลิกไง มันเป็นอย่างนี้มันก็จริงแต่วมันเป็นสุเสนส่วนหนึ่ยังไงมันสงบก่อนเพี้ยนไปเพี้ยนไปมันก็เข้าหลักท่านทำอะไรมันก็เย็นไม่มีไม่มีกายไม่มีตัวมีตัวเลยพิจารณาจ่าไปเห็นวัดท่านที่ไหนที่ไหนกับพระนี้มันระวังให้มันเฉื่อมว่ามันประจิตอารมณ์ของเวนของกรรมมาผ่านอันนพระนิพพานนือมันมาผ่านมันาผ่านกันมันมนถึงถูกเท่ากันนี้เร็วอื่ปุ๊บเลย มันมากไหมล่วงหลุดพุดลงมาลงมาอะไรไปจับไปกินไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นออืืมมที่มหลุดลงมาใสมาให้ทานมาถึงาพาถึงเจ้าของทิพทั้งหมดมันได้กินได้ใช้มัน่อได้ใช้หากขันแล้วก็สดเชื่นเบิกบานในในอาหารที่กันกองมาเป็นของทิบนั่นเลยเอาพอดีเอาพอพออยู่ได้นะให้พากันเข้าใจ ใ, ในจุดที <c> ่ <oughs> ลูกหลาน ทางจิต ท, ทางใจเส็มอมลอยเสื่อมพุนทางสารนานาคัษาิขัดควางทุกข์โผล่ระบากอดใจิใจสรารณนคมสามที่เกินมาถึงไปพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเลยองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งพระพุทธโสดโธองค์ที่สองพระโกนาคมาโนพระกัสโซพระโคตโมองค์งที่สี่ะเราเรายังไม่ได้ไปเรายังอยู่ จะพูดคนไปตามแต่ละพระองค์พระองค์จะยากหรือง่ายก็บดูดูปัจจุบันนี่หลยท่านคนมาสรุปถึงสามครั้งมันจังวางมันจังอื้หูจังจังพ้นต้นได้ตัดทารุณสอนพวกเรามันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่ามารตัวนี้เวนตัวนี้ภัยตัวนี้มันบังคับแล้วโทษวิถีทางเราเราเราเผื่อกว่าไรมเพิ่มเอา ผมแต่ว่าพอท่านไม่เผอป่ะเนี่พพอท่านก็ต่อบุญไปอยู่อย่างนี้เลยไม่ถอยไม่เผลอทํางานทําการก็มีสติทุ่งไม่ให้ไปติดไปยึดหากินเรื่องปากเรื่องท้องเพล่วก็ได้มากินมาทานต่อกันไปท่ากฝังไว้ในศาสนาเพื่อเราจะได้มากรับมรดกที่เราทําำไปนี้รับมันเรามีที่เราสร้างไปนี่มรดกใจหญ่มรดกบุญของพรธเจ้าที่าพาความเราทํา พอพวกเราอืมเฉลยละพอพวกเรานี้จา ก, ก <c oughs> พวกอพ่อแม่ครูอาจารย์ทุก <c oughs> พระองค์พูดพระแม่ก็ดีคือคือคุณแม่สีแก้วนะคุณแม่สีแก้วทา้งฝ่ายผู้หญิงจะมากกว่านั้นอืมหลายมากกว่านั้นแต่คนไม่แสดงออกคนญาตจกิเลสมันมากรุบเอาคนก็บวบมาพูดบาลงลายฟางเทศเลยครับหลบใครหลบมาไม่พูดไม่จากกับใคร ทั้งยามันไปประสานกับกิเลสกับกิเลสประสานกับปีติมันก็เป็นกิเลสมดเลยก็ไม่มีพวกเรามานั่งอยู่นี่ถ้ากิเลสกับกิเลสทับถัดกับปีติเรามันทุกข์ร้อยสารพัานคมมันมาจนจนเสียหลักจนอเผอเผลอมันก็ลอกลงแต่ว่าลอกได้มาเกิดอยู่อย่างนี้กับพ่อเผลอคนละถ้าเรามีสติคุมว่าให้มันเป็นทุกข์ว่ให้มันไปยึดว่าให้มันละหมาดเข้ามองกับอะไรทั้งสิ้น นี่พวกเราทั้งหลายก็จะได้ขยายเลื่อนในเลื่อนออกจากหกใบนี่ไปถ้า ก, กันเข้าใจเพียนไป เ, เนะรื่อยๆนะตั้งใจเต็มร้อยเต็มพันตั้งใจเต็มศรัทธาอาหารหวานขา้าวที่ได้รับมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองของพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นของทิพย์สดชื่นในมาบรรยายนทำมาได้ม า, ญญาทมาี่ทางให้พวกหลานอืมอยู่ในกรอบของอืม <c> ห <oughs> ินของธรรมกรอบของ ศรัทธาของบุญของกุศลศรัทธาเต็มร้อยเต็มพันเราศาสนาประมาณนี้เราบรให้แต่ตัวเราไปมดุดผู้ไม่ได้มาผู้ใดเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้อะไรหน้าดํามืดมือเปือป้อนๆเท้าหมองคนมาบางือมาไปว่าเขาเดังโน่นดังนี่ทุกอย่างนคือเขาให้ทำเขาให้ให้เราหนีให้เราบิีเขาว่าเขาให้ธรรมะเขาให้เขาดา่าแล้วเขาให้ธรรมะ คำพวะรับมันก็ไปหาเขาถ้าเขาไม่ได้พูดเขาก็จะตายแล้วบางทีํำไม่ตำจออไปตกคุ้มตกบัวไปเขาก็ามันห้อนขึ้นไปว่าให้ผู้คนมีความสุขไปว่าให้ผู้คนปฏิบัติธรรมพนพละเอาเขา่าเวลาการมมันมามันมาอย่างนั้นเล ถ้าเอากิลเลสกับจิตมาสัมผัสกันถ้าเป็นกิลเลสเป็นหมดแล้วไม่มีพวกเรามานั่งอยู่นี้เลยอืมเป็นอะไรก็ไปโตวาทีกันมันจะจะก่อความไม่จเจริญคือจะพากันตายพร้อมกันหมดท่านทำมันเป็นขึ้นมันจะอย่างนั้นในโลกันนี้โลกวุ่นโลกวายโลกทัสน์มานะโลกกรรมโลกเวรั้งว่ามีนามใจมาจ้าร่างจิตใจเราอืมล่างชัปโลกออกอืมจากธาตจากขันธ์วิรามันดา ก็จะได้มีแต่ความสุขควจเจริญ น, นานพากันเข้าใจดีใจแล้วก็แต่ธันาคมสามอย่าทิ้งมันอย่าไปคิดอันอื่นถือคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราได้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแล้วเราได้ทำบุญอันถืกต้องแล้วขอให้ข้าพเจ้าหายทุขขกขหายสุขหาโรคห้ยภัยสุขกายสบายใจตาม อวัดคำสอนตามที่เราต้องการเพื่อจะได้นั่งภาวนาเพื่อจะได้บำเพ็ญเจริญเมตตาบารมีเออมันก็ได้เวลาพอสมควรเพื่อจะได้ทำการทำงานสมควรกับเวลาอีวังก so so <od al> <imagery> ็มีด้วยประการเหลจะนี้